ิทวาลเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองเลิกใหม่ๆเศรษฐีผู้หนึ่งได้ซื้อรถรุ่นใหม่โดยไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยการติดสินบนอย่างงามจนคนขายซึ่งเคยปฏิเสธต้องเปลี่ยนใจ เมื่อได้รถแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวในที่ต่างๆเพื่ออวดรถรุ่นใหม่วันหนึ่งออกรถแต่เช้าเพื่อไปเที่ยวลบบุรีกับเพื่อนอีกสามคนพอสายก็ได้กลิ่นควันดำจากรถคันหน้าเมื่อเร่งเครื่องขึ้นหน้าเพื่อนเศรษฐีก็ตะโกนต่อว่าที่ปล่อยควันดำ นิวแซนรถคันอื่นรถคันนั้นนั่งกันอยู่สองคนสภาพเก่าจนจะพังมีพังแหลกเทียบความเร็วก็เหมือนกระต่ายกับเต่าชายผู้ขับรถคันนั้นแม้จะถูกะโกนใส่หน้าก็ตอบอย่างสุภาพและขอโทษที่เติมน้ำมันเครื่องมากไปเมื่อคนในรถใหม่จอดพักกินข้าวเช้า รถเก่าก็แซงขึ้นหน้าต่อมารถใหม่ก็ตามทันเพราะจะผ่านคนในรถใหม่พากันพูดเยาะเย้ยดูถูกรถเก่าต่างๆนาะนะคนในรถเก่าก็ไม่สนใจแถมยังรับฟังอย่างยิ้มแยม้มเมื่อผ่านไปแล้วคนหนึ่งในรถใหม่ได้พูดอย่างขบขันว่ารถจะเป็นศพอยู่แล้วยังอุตส่าห์เอามาใช้ ถ้าพังลงกลางทางจะสมนำหน้าให้ดู้ากลับจากลบบุรีก็แวะที่สระบุรีเพื่อเที่ยวตลาดได้พบรถเก่าจึงพากันพูดเยาะเยอยรถเก่าอีกทั้งที่คนขับรถเก่าก็อยู่ในร้านที่จอดรถนั่นเองเมื่อเที่ยวตลาดแล้วรถใหม่ก็กลับกรุงเทพ เจ้าเต่าคันนั้นก็ยังจอดอยู่ที่เดิมในเวลานั้นถนนสายกรุงเทพสระบุรียังไม่สู่เรียบร้อยนักบางแห่งกำลังลงหินใหญ่รถใหม่จึงถูกก้อนหินครูดใต้ท้องหลายครั้งแต่ก็วิ่งได้สะดวกเมื่อเลยบางไปอินมาได้ไม่นานรถใหม่ก็หยุดวิ่งเครื่องไม่ยอมติด แกเท่าไรก็ไม่ติดนานๆจะมีรถผ่านสักคันคนในรถที่ผ่านก็พากันหัวเราะไม่มีใครมีแกใจลงมาถามเลยเมื่อใกล้จะมืดทุกคนก็น่าซีดด้วยความกลัวเพราะแถวนั้นระยะนั้นเคยมีรถถูกจี้ปล้นกันบ่อยๆเศรษฐีซึ่งตอนแรกมีทิฐิไม่ยอมขอใครให้ช่วย ก็หมดทิฏฐิแล้วคิดว่าถ้ามีรถผ่านมาก็จะโบกมือให้หยุดแล้วอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าใครแก้ได้ก็จะให้รางวัลสัก500ร้อยบาทหรือมากกว่าก็จะทูลหัวให้ทันทีขอให้ได้กลับบ้านวันนี้ก็แล้วกันเวลาก็ล่วงไปทุกทีทุกทีอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงดวงอาทิตย์จะตกทำให้ร้อนใจเป็นกาลัง เวลานั้นมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้หากว่าคําลงแล้วรถยังเสียอยู่อาจถูกจี้ถูกปล้นก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์หนักขณะนั้นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งมาพอเข้ามาใกล้ก็จำได้ว่าคือไอเต่านั่นเองเศรษฐีคิดว่าถึงจะขอความช่วยเหลือเขาก็คงจะไม่ช่วย ซ้ำจะย่อเย้ยให้เด้หายอีกคิดแล้วจึงเอาหัวสุกเข้าไปในกระโปรงรถหันหลังให้ถนนทําทีว่ากาลังแก้เครื่องเหมือนไม่เอาใจใส่กับใครพอให้ไอ้เต่าผ่านพ้นไปส่วนคนอื่นๆก็รีบหลบเข้าไปนั่งในรถหลับตาพิงบอกทุกคนต่างมีใจตรงกันคืออยากให้ไอ้เต่าผ่านไปเสียเร็วๆ แทนแทนที่จะได้ยินเสียงรถผ่านไปพร้อมกับตะโกนหัวเราะเยะกลับได้ยินเสียงเครื่องยนต์หยุดแล้วได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถลงมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงถามอย่างสุภาพว่ารถคุณเป็นอะไรมีอะไรจะให้ผมช่วยบ้างไหมเศรษฐีฟังแล้วเกือบจะร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจน้ำเสียงนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนชั้นต่ำอย่างที่เข้าใจ ไม่มีการเยอะเย้ยแฝงอยู่เป็นเสียงที่ถามอย่างบริสุทธิ์ใจทำให้เศรษฐีหายอายจึงตอบว่าเออรถแล่นมาดีๆก็หยุดเฉย ๆ, ๆแก้เท่าไหร่ก็ไม่ตกอะ่ะชายผู้นั้นจึงเข้าไปตรวจดูในที่สุดพบว่าน้ำมันหมดเพราะถังน้ำมันรั่ว จากนั้นก็อุดรอยรั่วในถังชั่วคราวแล้วเติมน้ำมันพอให้ไปถึงกรุงเทพได้เมื่อเครื่องยนต์ติดดีแล้วเศรษฐีก็หยิบซองธนบัตรเพื่อให้รางวัลชายผู้นั้นชายผู้นั้นก็รีบปฏิเสธเพราะตั้งใจช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเศรษฐีจึงร่วงเข้าไปในคอเสื้อหยิบพระสมเด็จเลี่ยมทองที่ห้อยคออยู่พร้อมทั้งสายสร้อยทอง ส่งให้ด้ยวยความรักในน้ำใจแต่ชายผู้นั้นก็ปฏิเสธอีกอย่างสุภาพเศรษฐีจุมพูดว่าหออวังว่าพระของคุณคงไม่ใช่พระสมเด็จแน่ผมว่าโปรดรับไว้เถิดนะพระของผมเนี่ยไม่ใช่พระสมเด็จเป็นพระปิตวานมีองค์เดียวก็พอขอให้มีใจสุจริตเคารพท่านจริงๆ พวกปล้นมีพระห้อยคอพวงใหญ่แต่ก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะใจไม่สุจริตหากินโดยการปล้นของผมมีองค์เดียวบูชาไว้ที่บ้านเมื่อเกิดมีเรื่องอะไรก็นึกถึงท่านเช่นเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็นึกถึงท่านเห็นท่านปิดหูผมก็ไม่ฟังเสียงนั้นไม่เอามาเป็นสาระใส่ใจเมื่อเพื่อนชวนให้ดื่มสุรายาเมา พอผมนึกถึงท่านเห็นท่านปิดปากผมก็ไม่ยอมดื่มเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นผมก็นึกถึงท่านทุกครั้งจิตใจจึงสบายไม่มีกังวลเลยครับเศรษฐีฟังแล้วก็ตื้นตันใจอยากจะร้องให้อยากจะเอาภาพปูแล้วกราบความดีของชายผู้นั้น จากเรื่องกฎแห่งกรรมของทอเรียงพิบูลประตูเรือนเป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องดูแล ร, รักษาให้ดีฉันใดอินซีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทางสำหรับให้อารมณ์ต่างๆผ่านเข้ามาสู่ใจ เ็เป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องสำรวมคือต้องดูแลรักษาให้ดีฉันนั้นชายในเรื่องนี้ไม่โกรธแม้จะถูกเยาะเย้ยชนิดที่เรียกว่าขุดด้วยปากถากด้วยตาพอสามารถสำรวมอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ดีเขาก็ระลึกถึงพระปิทวาลที่ตนเคารพ บ, บูชาเห็นท่านปิดหู ก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเสียงไม่ดีนั้นก็สักว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่ควร น, นำมาเป็นสาระใส่ใจเมื่อะระลึกถึงได้อย่างนี้ความโกรธเคืองความไม่พอใจความแค้นใจก็ไม่เกิดขึ้นสามารถรับฟังเสียงไม่ดีได้อย่างยิ้มแย้มสิ่งต่างๆในโรคนี้ที่เราไม่รู้ไม่เห็นยังมีอีกมาก แต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องไปรับรู้ไปเห็นให้หมดดังนั้นในบางครั้งแม่จะเห็นก็ควรแกล้งทำเป็นไม่เห็นแม่จะได้ยินก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเมื่อรู้จักปิดหูปิดตาตัวเองเสียบ้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะลดน้อยลงชีวิตก็จะเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสบาย